เรารักตัวเองไม่เป็นเราชอบซ้ําเติมตัวเองจริงอยู่เร า, า จ, จะรู้จักหาความสะดวกสบายทางกายแต่ว่าไอ้เรื่องจิตเรื่องใจเรากลับทาร้ายตัวเองบออ่อยครั้งเช่นเวลาเพื่อนต่อว่าเราถ้าเรารักตัวเองเป็นเรารักตัวเองแท้จริงนะ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 ก็เอามากรุ่มออกกรุ่มใจนะเวลาเล่นเฟซบุ o กนะอัปโหลดภาพภาพเซลฟี่เพื่อไม่กดไลค์เสียใจนะกรุ่มใจแคนเพื่อนอีกนะแล้วยิ่งเพื่อนคอมเมนต์ไม่ถูกใจนะก็ยิ่งโกรธนะน้อยเนื้อต่ำใจ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 นะเก็บความโกรธเอาไว้แทนที่จะยกจิตออกจากความโกรธหรือสลัดความโกวธไปจากใจเนี่ยกับให้ใจมันแช่อยู่กับความโกรธแช่อยู่กับความเศร้าเวลาโกรธเนี่ยเพื่อนมันก็บอกว่าให้อภยัยก็เถอะเรายอมไมเราไม่ยอมให้อภยัยแล้วการโกรธมันดีกับเราหรือเปล่านะมันทำให้นอนไม่หลับ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 เวลากินอาหารที่มันมีพิษนะมันจะรีบถ่ายทันทีถ่ายออกทางปากบ้างคืออาเจียนถ่ายออกทางทวารบ้างแล้วก็คือท้องร่วงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีทุกมันมีพิษในใจเนี่ยกับหัวงกับแหงพิษนัเอาไว้นะเราเคยคิดที่จะเอาพิษที่มัน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 นั่นคือช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองแท้จริงแล้วเราอยู่ได้ไหมยิ่งถ้าให้ไปอยู่กุติคนเดียวนะไม่ต้องกลางคืนเนีแค่เอาแค่กลางวันหลายคนก็อยู่ได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละก็ออ ก, กระสรับกระส่ายแล้วอยากจะออกไปคุยกับคนโน้นออกไปเดินเล่นนะถ้าเป็นบ้านก็ต้องออกไปเที่ยวห้าง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 ไม่รู้ว่าบ้านของใจอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าใจของเราต้องการบ้านนะผลก็คือใจของเรามันกลายเป็นเหมือนกับคนจร จ, จรัดนะตุระตุเรนะกระเซาะเรียกว่ากระเซกระเซิงนะสังเกตดูเวลาเราอยู่นิ่งๆเนี่ย ใ, ใจเราไปแล้วนะไอ้ใจที่มันไปโน่นไปนี่ปนะระเหริฐร่ร่อน ตุรตุเรเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นกระเซาอกระเซิงไปไอ้ใจที่มันอยู่ไม่สุขเนี่ยมันก็เลยทำให้อยู่นิ่งไม่ได้ทำให้ตัวเราอยู่นิ่งไม่ได้นะต้องทำต้องไปโน่นต้องไปนี่ต้องหาหาคนคุยนยจึงอยู่กับตัวเองไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถจะรักษาใจให้อยู่เป็นที่เป็นทางเพราะเขามีบ้านบ้านนี้คืออะไรนะอาจจะได้แก่ลมหายใจ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 เมื่อใจมาอยู่กับกายก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นเป็นบ้านของใจก็ได้เหมือนกันนะมันเหมือนกันนะเมื่อใจมาอยู่กับกายใจก็สงบนิ่งเมื่อใจอยู่กับกายความรู้เนือรู้ตัวก็เกิดขึ้นเขาเรียกความรู้สึกตัวเมื่อเกิดความรู้สึกตัวขึ้นใจก็สงบโปร่งเบา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 จึงพยายามที่จะสอนเรื่องสติเรื่องปัญญาให้กับเรานะเป็นการเติมเพิ่มสมรรถนะอย่างหมายให้กับใจของเราเขาเรียกว่าอะไรนะเออเพิ่มสเปกนะถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มสเปกหรือเพิ่มฟีเจอร์ให้ใจเราเนี่ยก็ต้องเติมหรือเพิ่มนะให้ฟีเจอร์หรือสเปกอันนี้ให้นะคือปัญญาและสติ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 นั่นที่เรามาที่นี่เนี่ยนะขอให้ถือว่าเรามาเรียนวิชาที่สำคัญเวลา7วันก็ถือว่าน้อยนะเมื่อเทียบกับวิชาที่เราเรียนมามากมายวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนหลายปีสิบสองปีแล้วก็ไปต่อยอีกมาชัาลัยอีก4ปีถ้าปริญญาเอกปริญญาโทเอกอี ก, อก4ปีนะ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 เรียนจบแล้วทำตามทำตามใจพ่อแม่เสร็จแล้วขอทำตามใจตัวเองบ้างคือเป็นช่างภาพไอวิชาวิทยาศาสตร์เคมี Me, นะสถิติต่างหางนะที่เรียนมานี่ไม่ได้ใช้เลยนะเรียนน้อยก็ไม่ได้ไปทรมาหากินเรียนมาสิบปีบางทีภาษาอังกฤษเรียนมาสิบปีก็ทิ้งลืมหมดนะหรือไม่นหรือไม่ก็เป็นวิชาที่มัน มีความรู้ใหม่เข้ามาแทนที่ความรู้เก่าก็ใช้ไม่ได้แต่วิชาชีวิตเนี่ยมันได้ใช้แน่นะแม้จะเรียน7วันก็ได้ใช้เรียน3วันนะถ้าเรียนจริงๆก็ได้ใช้นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันจะทำความทุกข์ให้กับเราเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยเรื่อนะแต่ถ้าเราฉลาดเราก็จะรู้จักหลบจักลีรู้จักปัดเปล่ารู้จักปล่อยรู้จั ก, จกวาง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 ธรรมยทตาเนี่ยจัดทุกปีก็จะมีนักเรียนมอสีรุ่รนไปเดินนะเดินแล้วก็ลำบากล้าลำบากก็นี่เยอะตากแดดนอนกลางดินกินกลางทรายห้องน้ำก็ไม่สะดวกนะลำบากก็นี้เยอะเลยแต่ว่าหลายคนเขาได้เรียนรู้มากปีต่อไปถึงแม้ไม่มี หน้าที่ที่จะต้องมาเดินธรรมญาตราเพราะครูไม่ได้สั่งแต่ว่าตัวเองก็มาเข้ามาอาชัยแล้วก็ยังมาเดินอีกนะเพราะว่าเห็นประโยชน์นะมันช่วยเติมไหลา ย, ยาให้กับจิตใจทั้งความเข้มแข็งทั้งความอดทนแล้วก็ความสุขด้วยนะอันที่เราเจอความยากลำบากนะในระหว่างที่อยู่ที่นี่ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้นะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวิต